มเมชาเทศให้ฟังรู้เรื่องไหม <c oughs> คนใหม่ๆก็ยากนิดนึงเ้าเรียกว่าเทศแบบเทย่ามให้ไม่มีกระเป๋ามีแต่ย่ามรับได้แค่ไหนก็แค่นั้นเนาะค่อยๆไปทำเอาตอนที่หลวงพ่อเรียนเดียกลูบาอาจารย์ก็ไม่ได้เรียนเยอะหรอกลูบาอาจารย์สอนหลักของการปฏิบัติให้นิดเดียวเราปฏิบัติเอาเองเะความรู้ความเข้าใจมันค่อยเกิดขึ้นเกิดขึ้น ย่งฝึกไปนะความทุกข์มันก็น้อยลงไปเรื่อยๆชีวิตมีความสงบสุขมากขึ้นมากขึ้นยังธรรมะเนี่ยให้ประโยชน์ให้ความสุขแล้วก็ไม่ใช่ว่าของในโลกไม่มีประโยชน์ไม่มีความสุขก็มีเหมือนกันอย่างทรัพย์สินเงินทองหน้าที่การงานอะไรก็มีประโยชน์ให้ความสุขแต่ว่าความสุขนั้นมันไม่ยั่งยืนอยู่ชั่วคราว มีเงินก็มีชั่วคราวนะต่อไปยิ่งลำบากขึ้นทุกทีทุกทีตอนหลวงพ่อเด็กๆนะเคยได้ยินเห็นคนเฒ่าคนแก่รับราชการบอกเดี๋ยวแก่แล้วสบายมีบำนาญกินเลยโอ้บำนาญไม่พอจะกินของแพงรวดเร็วเหลือเกินนะตอนเรารับราชการใหม่ๆนะหลวงพ่อเงินเดือนพันเจ็ดอยห้าสิบบาทเร้เห็นระดับประหลัดกระทรวงเขาก็เสียนะก็ได้ต้องหมื่นกว่าบาทไนงะ เรารู้สึกโอ้จะใช้ยังไงหมดว่า <c oughs> ถ้าพว ก, กเกษียณแล้วยี่สิบปีสาสิบปีไม่ตายเนี่ย น, นะโอ้ลาบากคงตายอะ่ะเพราะอดตายลําบากบางคนก็เก็บเงินไว้นะสะสมเงินไว้เอาไปฝากแบงก์กะกินดอกเบีย้ยแต่ก่อนดอกเบีย้ยมันเยอะพอกินตลอดชีวิตแล้วเดี๋ยวนี้ดอกเบีย้ยไม่ค่อยจะมีเงินต้นก็อาจจะหมดก็ได้เนี่ยเราเอา ทรัพย์สินเงินทองนะมาเป็นหลักประกันในชีวิตเราไม่ได้จริงอะบางคนแต่ก่อนนะเขาพยายามมีลูกไว้แก่แล้วลูกเลี้ยงเดี๋ยวนี้จนแก่แล้วก็เลี้ยงหลานไม่ใช่แก่แล้วลูกเลี้ยงนะใน แ, แก่แล้วเลี้ยงหลานนะมันใช้งานจนนาทีสุดท้ายะนะครอบครัวก็แตกสลายไปหมดละนะก่อนครอบครัวคนเยอะอบอุ่น เดี๋ยวนี้ต่างคนต่างไปนะกลางวันหรือคนแก่เฝ้าบ้านอยู่คนเดียวบางทีลมลุกลุกคลครานอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยนั้นอนาคตข้างหน้านะั้นดูแล้วค่อนข้างแย่ระหวังพึ่งอะไรไม่ได้เลยในทางร่างกายนะยังไงก็ทรุดโทรมลงไปเรื่อยๆพึ่งคนอื่นยากเอาเงินฝากแบงค์ไว้แบงค์อาจจะล้มก็ได้ไหมทำไงก็ไม่ปลอดภยัยสักอย่าง โลกนี้เป็นเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเราทําให้โลกแน่นอนขึ้นมาไม่ได้หรอกต้องใช้สติปัญญาค่อยๆวางแผนชีวิตให้ดีเถอะในความเป็นจริงแล้วคนคนหนึ่งเนี่ยบริโภคไม่มากหรอกถ้าบริโภคตามความจําเป็นจริงๆไม่มากนะอย่างอดเข้าจริงๆนะกินข้าววันละมื้อก็อยู่ได้นะเพอพร ะ, พระกินข้าววันละมื้อก็อยู่ได้บางองค์อ้วนเอยนะท่านฉันมือเดียวท่านก็อ้วนเลย เสื้อผ้าเใช่ไหมพระมีเสื้อผ้าอยู่สามชิ้ น, นก็อยู่ได้แล้วใครนิมนต์ไปอเมริกาก็ชุดนี้แหละไปไหนๆก็ชุดนี้แหละไปงานศพก็ชุดนี้แหละไปขึ้นบ้านใหม่ก็ชุดเดียวนี่เสื้อผ้าจริงๆเราก็ไม่ได้ต้องการเยอะหรอกอาหารจริงๆเราก็ไม่ได้ต้องการมากมที่อยู่ของเราอย่างพระเนี่ยถ้าไม่มีใครเขาทํากุฏิให้อยู่นะก็อยู่คนต้นไม้ทุกวันนี้เราอยู่คนต้นไม้ไม่ได้หรอกโดน พอหาจรจัดแต่ความเป็นจริงแล้วคนไม่ได้ต้องการอะไรมากมายหลวงพ่ออ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะเรื่องไกลบ้านใครเคยอ่านม้างของรายการที่ห้ารายการที่ห้าเขียนไกลบ้านเป็นหนังสือหนึ่งในร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่านนะแต่คนไทยไม่อ่านแล้วละ่ะเพราะมันไกลเกินไปมันร้อยกว่าปีมาแนละ้วรายการที่ห้าท่านไปดูวังในยุโรปท่านก็บอกวังแต่ละวังนะัมันมโมฮอรานใหญ่โตมากเลยแต่มันไม่ใช่ที่อยู่หรอก เจ้าทุกองกษัตริย์ทุกองนะไปสร้างบ้านเล็กๆอยู่ห้องเล็กๆอยู่นะไม่ได้สร้างใหญ่โตอย่างนอนถ้านอนห้องนอนเท่านี้เวิ้งวางตายเลยใช่ไหมไม่อบอุ่นเลยนัย้นก็อยู่ห้องแคบๆนั่นในความเป็นจริงนะสร้างบ้านไว้ใหญ่โตก็ไม่ได้อยู่จริงหรอกความต้องการที่แท้จริงนะไม่ได้ต้องการมากหรอกนี่ถ้าเรารู้จักว่าความต้องการที่แท้จริงกับความต้องการเทียมไม่เหมือนกัน เราก็ไม่ต้องบริโภคเยอะเท่าไหร่นะพออยู่ได้หรอลําบากไงก็ยังพออยู่ได้ถ้าบริโภคมากมีแต่ความต้องการปลอมเนะี่ยบริโภคเท่าไหร่ก็ไม่พอนะหาเท่าไหร่ก็ไม่พอโอ้ชีวิตก็ยากจนตลอดเลยคนบริโภคเท่าที่จําเป็นนะชีวิตมันพอพอเมื่อไหร่มันก็รู้สึกว่ารวยแนละมีเงินเหลือแล้คนไม่พอไ ม, ไม่พออยู่งั้นแหลนะใจไม่พออะไรอะไรมันก็ไม่พอสักที แนะต่อไปข้างหน้านะชีวิตเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะอย่างน้อยใจต้องไม่ทุกข์ให้ได้ในทางร่างกายนะั่นอยู่ไปด้วยความพอเพียงมันก็อยู่ได้แต่ในทางจิตใจเนะี่ยต้องหัดภาวนานะจเจริญสติไปมีสติรู้กายมีสติรู้ใจไปจนเราเห็นความจริงของชีวิตคนเห็นความจริงของชีวิตนะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในชีวิตก็ไม่ทุกข์มากหรอก ความจริงของชีวิตเป็นอะไรเป็นยังไงมีอะไรบ้างความจริงของชีวิตเรานะมีราบมีผลประโยชน์แล้วก็เสื่อมไปมีได้ก็เสียได้มีราบเสื่อมยาราบมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขแล้วก็มีทุกข์ถ้าใจเราฝึกดีแล้วนะเจอราบยศสรรเสริญสุขใจก็ไม่กระเพิมขึ้นเสื่อมราบเสื่อมยศถูกนินทามีความทุกข์เกิดขึ้นใจก็ไม่กระเพิ่มลง นี่เราฝึกนะเราจะสามารถอยู่กับโลกได้โลกไม่มั่นคงโลกไม่ปลอดภัยแต่จิตที่ฝึกดีแล้วมีความมั่นคงมีความปลอดภัยน้วเราฝึกจิตของเราให้ดีมีสติคอยรู้สึกอยู่ในกายมีสติอยู่ในใจรู้ทันความเปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวของกายของใจรู้สึกไปเรื่อยรู้สึกไปนะในส่วนมันจะเห็นในทุกอย่างในชีวิตนี้ชั่วคราวหมดเลยนี่พอทุกอย่างทุกชั่วคราวนะมีลาบมันก็ไม่ไม่หลงละเริงนะ มียศมีสารเสริญมีสุขมันก็ไม่หลงระเริงมันรู้ว่าชั่วคราวพอเสื่อมลาบเสื่อมยศเจอนินทาเจอความทุกข์ก็ไม่เสียอกเสียใจนะก็รู้ว่ามันก็ของชั่วคราวของธรรมดาโลกไม่มีหรอกที่ดีสุขตลอดไม่มีนะดีตลอดสุขตลอดไม่มีนะต่อไปจะตรวจกันบ้านให้คนอยู่วัดก่อนนะอย่าเกี่ยงกันนะเพราะว่าพรุ่งนี้หลวงพ่อไม่อยู่พรุ่งนี้ไม่เจอหลวงพ่อหรอก เราต้องไปตั้งแต่มืดเลยไปศาลาหลุงชินอ่ะกำน้ำศั ก, การ์หลวงพ่อค่ะก็เห็นกิเลสเกิดขึ้นมากมายอะค่ะแต่ไม่แน่ใจว่ายังติดเพ่งหรือเปล่ามีนิดหน่อยน ะ, ะของเก่าที่ฝึกมันฝึกเพ่งไหมงั้นเราปล่อยไปเยอะละนะเหลือเพ่งไม่มากแล้กใจค่อยๆตื่นแล้วละ่ะไปฝึกต่ อ, องพ่อจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมไหมคะไม่มีไปทาต่อนะทาเป็นลรู้หลักแล้วไปทาเอา จิตมีปิติหรือว่ามีปิติเห็นไหมรู้ไปเห็นไหมปิติลดลงแล้วเนี่ยดูอย่างเนี้ยทุกอย่างมันชั่วคราวหมดเลยมีปิติมีความสุขมีความทุกข์นะมีโลภมีโกรธมีหล ง, ลงก็ชั่วคราวหมดอนะดูไปอย่างนั้นนะแต่ไม่ใช่ดูแล้วถลําลงไปนะจิตใจมันถลําลงไปนะใจถอยขึ้นมาเป็นคนดูอย่าให้ตกเวทีไปอย่าให้ตกอัธจันทร์ค่ะทุกข์กันค่ะ ก็อยู่กับพุทโธอะค่ะแล้วก็เห็นเขาจิตเขาวิ่งไปคิดตลอดเวล า, าะคะ่ะแต่ก็มีมีอยากที่จะให้เขาตั้งมั่นนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยตั้งมั่นนะคะก็ให้รู้ว่ามันอยากมันอยากได้เองรู้สึกไหมมันอยากได้เองเห็นใจจนเห็นเลยมันทำงานที่มันได้ไม่ใช่เราหรอกแล้วก็เห็นพอพอพอพอนั่งสมาธิไงคะบางช่วงที่เพ่งก็จะ ก็จะหยุดค่ะก็จะรู้อย่างนี้ค่ะอยากให้หลวงพอ่ออยากเพอให้รู้ว่าอยากนะให้ให้หลวงพ่อช่วยทุอย่าไปกดไว้นะ <c oughs> ปล่อยให้จิตเป็นธรรมชาติพุโทโธไปด้วยความร่าเริงใจไม่ใช่พุโทโธแล้วน้ําใจให้ซึมยังมีอยู่พุโทโธแล้วน้ําใจให้ซึมนะอย่าไปน้อมพุโทโธเป็นแค่เครื่องอาศัย <c oughs> เครื่องอยู่ <c oughs> เครื่องสังเกต คือปกติเนี่ยจิตร่อนเร่ตลอดเวลาเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงดูไม่ทันหรอกเราก็หากรรมฐ า, านอันหนึงมาเป็นเครื่องสังเกตเช่นเราอยู่กับพุทโธสมมุติว่าพัดอันนี้เป็นพุทโธพุทโธไปเรื่อยนะจิตเราวิ่งไปอยู่ที่พุทโธเราก็รู้จิตทิ้งพุทโธไปอยู่ที่อื่นเราก็รู้อย่างเ้ยมีตัวหนึ่งเป็นเครื่องสังเกตจะ ไ, ได้สังเกตจิตได้ง่ายแค่นั้นแหละควาว่าพุทโธจริงๆยังไม่ใช่พุทโธนะพุทโธตัวจริงก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน อะไรที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็จิตนั่นแหละคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะนั้นเราพุโทโธไปแล้วก็รู้ทันจิตไปพุทธโทรแล้วรู้ทันจิตอย่าพุโทโธแล้วก็น้อมจิตให้ซึมนะระวังตัวนี้ต่อไปนมัส ก, การหลวงพ่อคะ่ะก็อยากจะขอคำอแนะนำเรารู้ไหมว่าอยากแล้วไงขอคําแนะนำนะคะว่าเป็นยังไงบ้างที่ทําอยู่ก็ดีแล้ว ล, วละนะค่อยๆดูไป สังเกตไม่มใจเราตื่นขึ้นมาใจเราค่อยโล่งปร่งนะเห็นกายมันเคลื่อนไหวเห็นใจมันเคลื่อนไหวดูไปอยนะ่างนั้นแหละแล้วที่ที่ทำอยู่ทําอยู่ก็ดีแล้ะถูกละควรคว ร, ควรจะมีวินัยมากกว่านี้หรือเปล่าคะวินัยนะสำคัญที่สุดเลยนะมีวินัยในการปฏิบัติทุกวันต้องทํานี่ใช่นานๆมาทําทีหนึ่งไม่มีทางนี่ไม่มีทางบรรลุมรรคผลขอบพระคุณครัพวกเราเห็นหลวงพ่อแหม่มอย่างนี้ไม่ต้องเอายามาถวายนะ อากาศมันชื้นเท่านั้นแหละแพ้ความชื้นนรรส ก, การค่ะจิตไม่ค่อยตั้งมั่นค่ะแล้วบางครั้งเครียดค่ะห <Yeah. S 2> ลวงพ่อแนะนำจิตมัวมัวดูออกไหมตอนนี้ก็ยังมัวอยู่ค่ะ <c oughs> นะมันไม่แจ่มใสไม่สดชื่นเต็มที่เพราะมันมีโมหะเพราะฉะนั้นตอไปทำยังไงดีจิตมัวจิตมีโมหะทำไงรู้ใช่ตอบถูกตอบถูกแต่ไปทำให้ได้นะ <c oughs> <c oughs> ใช่ <c oughs> มันยอมไม่ค่อยได้หรอก พอจิตไม่ดีนะมันก็หาทางต่อสู้ใช่ไหมมันอดไม่ได้หเพราะฉนั้นเวลาที่สภาวธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นนะให้พวกเรารู้อย่างที่มันเป็นอย่าเข้าไปแทรกแซงมันไม่ใช่กิเลสเกิดต้าหาทางละกุศลเกิดหาทางรักษากุศลยังไม่เกิดจัวดิ้นรนทํายังไงจะเกิดดิ้นใหญ่เลยเช่นสติมันไม่เกิดทํำยังไงจะเกิดดิ้นยังไงก็ไม่เกิดให้มีสติให้คอยรู้กายคอยรู้ใจดูเขาทํางานไปเรื่อยต่ไปสติมันอัตโนมัตนะินะเกิดเองเลย หววับวับหลวงพ่อเมื่อสัก20ปีก่อนนะมีวันหนึ่งสติมันเกิดอัตโนมัติเกิดทั้งวันเกิดทั้งคืนนะรู้สึกตลอดเลยเห็นจิตนี่ไหววับวับวอยู่ข้างในนะตลอดเวลาเลยเห็นจนเหนื่อยกลางวันก็เห็นกลางคืนก็เห็นตื่นก็เห็นหลับก็เห็นเหนื่อยเต็มดาเลยสุดท้ายทําความสงบจิตตั้งมั่นสงบสมถะไลยเป็นที่พักผ่อนนะถ้าเราทําสมถะไม่เป็นก็ลําบาก มันไม่เป็นจริงๆก็ช่วยไม่ได้ใจหนีไปแล้วทราบไหมหลงไปทราบไหมเพ่งเอาไว้ทราบไหมนะให้รู้ทันนะไปรู้อย่างน้อยก็สองตัวนี้แหละจิตเผลอไปกับจิตเพ่งไว้นะทุกคนนะไปให้รู้ทันจิตสองชนิดนี้จิตที่เผลอไปเผลอไปคิดนั่นแหละแต่จิตที่เผลอไปเพ่งนะให้เรียนรู้จิตสองอย่างนี้ไว้ถ้าจิตไม่เผลอจิตไม่เพ่งจิตก็รู้เท่านั้นเองง่ายๆรู้ไม่ต้องทํานะ ถ้าไม่เผลอไม่เพ่งมันก็รู้ของมันเองอย่าพยายามจะรู้พยายามทำรู้นี่อยากให้กูสนเกิดรู้ไม่เกิดหรอกอาต่อไปนะจะให้ยกมือเบอร์ยี่สิบเจ็ดเชิญกราบน้นมัสการหลวงพ่อคะ่ะอยู่นครสวรรค์ค่ะก็อยากให้หลวงพ่อกรุณาดูว่าหนูรู้สึกมันซึมดูอะไรไม่ค่อยจะรู้อ่ะมเม่เราเราดันใจของเราออกไปนะใจเราไม่เป็นธรรมชาตินะ รู้สึกไมมันโปร่งออกไปโล่งๆอยู่ข้างนอกใจไปอยู่ข้างหน้าเพราะฉะั้นมันไม่ย้อนมารู้กายรู้ใจก็เลยไม่เห็นอะไรมันโล่งๆสบายๆไปเฉยๆให้กลับมาดูกายให้มากขึ้นเรียกเขย่าตัวเองไปเรียกปลุกตัวเองปลุกให้มันตื่นนะคอยรู้สึกกลับมาที่กายไหมใจมันหนีไปอยู่ในความโล่งกวามวังหลวงพ่อก็เคยเป็นแล้วไงเองแล้วรู้สึกมันมีความทุกข์ ทุกจากเกิดจากมันดูว่าเราโลภมีโลภมากเโลภมากก็รู้ว่าโลภมากนะอย่าไปเกลียดมันถ้าเกลียดแล้วมันทุกข์นะต้องเป็นกลางเห็นจิตมันโลภไม่ใช่เราโลภนะจิตมันโลภเราเป็นคนดูเราไม่เคยโลภเลยค่อยๆดูไปนะความโลภไม่ใช่เราหรอกจิตมันโลภของมันเองอย่าไปเกลียดมันสิค่ะเบอร์ห้าสิบหกกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะจากขอนแก่นเจ้าค่ะ ส่งการบ้านในรอบสองเดือนเจ้าค่ะก็รู้สึกเหมือนจะเป็นขาลงมันรู้ไม่รู้ไม่ทันเหมือนอย่างที่เคยแล้วก็ไม่เป็นกลางเจ้าค่ะเป็นปัญหาอยู่ที่ไม่เป็นกลางานะการภาวนาเนี่ยจิตมีธรรมชาติที่เจริญแล้วก็ต้องเสื่อมไม่มีหรอกภาวนาแล้วเจริญมากขึ้นมากขึ้นยังไงก็ต้องเสื่อมแล้วตรงที่บรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยไม่ใช่เพราะเกิดจากเจริญนะดงั้นไม่ต้องมุ่งเอาเจริญ ตรงที่เรามาบรรลุมรรคผลนิพพานได้เนะี่ยเพราะเราเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับความเจริญมีได้ก็เสื่อมไดนะ้ถ้าเราภานาแล้วเราก็เข้าใจความจริงจิตเจริญได้ก็เสื่อมได้จิตเป็นกลางนะเห็นไหมเจริญเกิดแล้วก็ดับเสื่อมเองเกิดแล้วก็ดับทุกอย่างเท่ากันนะ <Okay. S 2> ใจเราต่างหากไม่เท่ายังติดประคองอยู่หรือเปล่าใช่ใชประคองนะอ ม, มีประคองนิดหน่อยมีโมหานิดๆนะดูออกไหม โมหะใจมันฟุ้งซ่านแล้วก็มัวนะยังหนูบางทีฟุ้งซ่านแล้วอยากจะพักผ่อนจะทําสมถะได้ไหมเจ้าคะได้ทําสมถธิดีเจ้าค่ะหายใจแต่ว่าหายใจแบบรู้สึกตัวเจ้าค่ะเคล็ดลับของการทําสมถะนะเริ่มต้นเลยเนี่ยทําใจให้สบายก่อนทําใจให้ผ่อนคลายให้รีแลกซ์ก่อนแล้วก็เสร็จแล้วก็หายใจไปด้วยความรู้สึกที่ผ่อนคลายไม่ใช่เริ่มต้นด้วยความเครียด อย่างเงี้ยไม่ผ่อนคลายนะไม่สงบเค่ะอ้าวต่อไปเบอร์เก้าสิบเขาย่อๆนะเอาแบบย่อๆย่อ่ปเมื่อสองเดือนที่แล้วนะคะมาส่งกันบ้านหลวงพ่อบอกว่าติดว่างแล้วก็ติดสุกนะคะอไม่ว่างแล้วไม่ว่างแล้วนะคะแล้วไม่ทราบว่าตอนนี้โยมยังติดอะไรที่ต้องระวังอีกไหมคะมีประคองจิตไปนิดนึงตอนเนี้ยนะะแล้วมันดีขึ้นเยอะแล้วเห็นไหมจิตเราฟุ้งซ่านแล้ว ยอะนั่นแหละตัวจริงของเรา <c oughs> เราไปสร้างตัวปลอมที่โลง่ลงๆว่างๆขึ้นมาแล้วก็มีความสุขเพลินๆไปวันหนึ่งวันหนึ่งแทนที่จะเห็นทุกนะแทนที่จะเห็นว่ากายนี่เป็นตัวทุกจิตเป็นตัวทุกเราไม่รู้สึกอย่างนั้นเรียกว่าเราไม่ได้เจริญปัญญาตอนนี้จิตเริ่มเจริญปัญญาแล้วโทสะมันจะขึ้นนะโทสะโผล่ขึ้นมาก็ค่อยรู้เอาอย่าไปเกลียดมันนะ <c oughs> จบเบอร์สิบค่ะเนี่ยจริ ง, ร ง, รงๆกรรมฐานนะ่เรียนไม่มากหรอก ไม่กี่ประโยชน์หรอกคนหนึ่งคนหนึ่งแต่มากชอบเล่าพงศวดานเอาว่าไปตื่นเต้นไหมตื่นเต้นนะไม่ได้ผงกันม่นจิตไม่ตั้งมั่นยังไม่เป็นกลางด้วยค่ะได้เป็นไรให้รู้ว่าไม่เป็นกลางอมีทําในรูปแบบมากขึ้นนะคะไม่ทราบว่าทําอยู่ถูกหรือดีนะทําในรูปแบบแล้วจิตมีแรงรู้สึกไหมจิตมีกําลังมากขึ้นอย่าทิ้งการทําในรูปแบบนะได้ประโยชน์ ไม่มีติดอะไรใช่ป่ะติดสิไม่ติดก็เป็นพระอรหันต์สิติดอะไรก็รู้เอานะจิตไปติดไปค้องไปยึดไปถืออะไรก็เรียนรู้ค่อยๆรู้ไปนะมันจะรู้ได้ประนีตขึ้นประณีตขึ้นแต่ว่าระวังจิตไปติดในว่างๆนะจิตมันชักโลง่ลงๆว่างๆขึ้นมาแล้วตรงนี้ไม่เอาตรงที่น้อมใจไปตรงเนี้ยขณะเนี้ยตรงนี้ไม่เอาเลยนะ ตรงนี้ไปอยู่แล้วจะโล่งว่างไปแล้วก็สบายเพลินไปวันหนึ่งวันหนึ่งไม่เห็นกายเป็นทุกข์ไม่เห็นจิตเป็นทุกข์นั้นอย่ามาอยู่ตรงนี้กลับมารู้ที่ร่างกายเคลื่อนไหวเห็นไหมมันไปยักหน้ากระดุบกระดุบกระดุบเนี่ยนะเห็นมันเคลื่อนเออจิตต้องใจจิตใจต้องอย่างนี้นะค่อยคอยรู้ไปเบอร์ยีออ้าวเชิญเออตอนนี้ตื่นเต้นอืมธรรมดา เค้ส่งกันบ้านแล้วหลวงพ่อบอกว่าตอนนั้นติดนิ่งค่ะอตอนนี้คิดว่าดีขึ้นแต่ว่าดีขึ้นดีขึ้นนะก็อยู่ที่บ้านจะเป็นธรรมชาติมากกว่านี้ถูกต้องละนะตามรู้ตามดูเห็นไหมจิตมันทํางานได้เองดู <c oughs> ออกหรือยังค่ <c oughs> นะนั่นแหละดูไปดูไปจนวันหนึ่งจิตใจเรายอมรับความจริงว่าจิตไม่ใช่เราหรอกมันเป็นธรรมชาติอันนึงที่ทํางานของมันได้เอง <c oughs> นะค่อยๆดูไปนะอ้าเบอร์สี่สิบ กับทนสักการหลวงพ่อครับก็เมื่อเช้าก็มม่ๆครับตอนนี้ก็ยังซึมๆอยู่ครับดีกว่าเมื่อเช้าแล้วนะจิตเริ่มสว่างขึ้นแล้วครับช่วงนี้จิตจ<ะ>ใจจิตใจมันมีเรี่ยวมีแรงมากขึ้นแล้วล่ะที่หลวงพ่อ ท, ทั้งเมื่อครั้งก่อนว่าดูยังไม่ถึงฐานนะฮะ<อ>ก็รู้สึกว่ามันห่างจากจากตัวรู้จากสิ่งที่รู้มากขึ้นนะฮะแต่ก็ยังรู้ว่ามันยังไม่ถึงฐานนะฮะใช้ได้แล้วล่ะนะขาดนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรดีกว่าคราวก่อนนั่งเยอะหนย รู้สึกไหมไม่เหมือนกันครับแต่โมหะยังเยอะอยู่ครับให้รู้อย่างที่เขาเป็นอย่าไปเกลียดเขานะมีโมหะรู้ว่ามีโมหะไม่ว่ามนหรอกเอาเบอร์สาสิบครับมนมำส ก, กาหลงพ่อค่ะก็ฟังซีดีมาประมาณหนึ่งเดือนค่ะแล้วก็ทดลองปฏิบัติดูค่ะไม่ทราบว่าที่ปฏิบัติอยู่เป็นยังไงบ้างคะก็แล้วรู้สึกไงบ้างล่ะตอนนี้ตื่นเต้นค่ะอืมตื่นเต้นเวลาโมโหรู้ไหม ก็รู้ค่ะแต่บางทีรู้แล้วก็ยังไม่หายค่ะไม่ได้ฝึกให้หายนะฝึกให้เห็นว่าจิตเป็นของบังคับไม่ได้จิตจะโมโหก็โมโหของมันเองนะจิตจะไม่โมโหจะเลิกโมโหมันก็เลิกของมันเองเราไม่ได้ฝึกบังคับหรอกเราฝึกให้ดูของจริงลงไปคนเราเนี่ยชอบไปบังคับคนอื่นด้วยนะแต่ถ้าเรามาดูจิตดูใจเราเห็นเลยจิตเราเรายังบังคับไม่ได้เลยเราก็จะลดการไปบังคับคนอื่นลงด้วยอย่าไปบังคับคนอื่นเยอะนะ บอ้างเอาอบอร์95าบางคนมีนิสัยเป็นผู้นําเจอใครควบคุมหมดเลยครับกราบนมัสการครั บ, <c oughs> ค, รบคือผมรู้สึกว่ามันปฏิบัติแล้วมันตามรู้ตามดูไม่ค่อยได้อะครับมันเป็นยังไงล่ะคือเหมือนหลงไปนานอย่างเงี้ยครับห ล, ลงไปนานต้องทําในรูปแบบบ้างนะผ ม, นผมก็ทําในรูปแบบอยู่ครับแต่ว่าทําในรูปแบบเองก็ มันก็หลงไปคิดนานเหมือนกันนะครับรู้สึกที่กายไปด้วยเอากายมาช่วยหน่อยของผมเน้นที่กายใช่ไหมครับเอากายมาช่วยนะจะดูจิตได้ชัดขึ้นแล้วอย่างถ้าเรารู้สึกว่าใจเรามีน้ําหนักอย่างเงี้ยครับแสดงว่าถือว่าเป็นการดูจิต<อ>ใช่ไหมครับใช่แต่ใจมีน้ําหนักเนี่ยเป็นผลนะเป็นวิบากเหตุของมันก็คือใจจะต้องมีกิเลสอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเกิดการควบคุมบังคับตัวเองขึ้นมามันจะหนักหนัก นะ ค, คือเราก็ดูได้แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้หายไปไม่หายมันเป็นตัวพิบากริบักเป็นผลนะอย่าสัวเราเดินไปเอาหัวโขวกฝาโป้งเขาให้นะไม่ทันดูชนฝาหัวโน่เงี้ยเราไปรู้ว่าหัวโนนียยย้ยังไม่หายอยังไม่หายโนอ่ะเห็นไมต้องใช้เวลาช่วงหนึ่งจิตเหมือนกันเวลามันแน่นๆขึ้นมาเนี่ยมันเป็นผลจากการที่เราไปบังคับจิตไว้เราต้องรับคราะกรรมันนี้ไปก่อนยังไม่หาย ของคุณรู้สึกที่กายไว้ช่วยหน่อยนะเอากายมาช่วยนิดหนึ่งดูแต่จิตอันเดียวเนี่ยจิตมันหนีไปนานเราเดินจงกรมนี่อย่างที่ผมทำอยู่ปกตินี้ถูกช่วยมาเดิน <ปะ S 1> มาออกมาเอามาเดินโชว์เนี่ยรู้สึกรู้สึกอยู่ที่กายเห็นร่างกายมันเดินนะเนี่ยใจหนีไปคิดให้รู้ทันเดินจงกรมก็คือเดินรู้ทันตัวเองนั่นแหละ อา้าวเดินเลยเนี่ยเริ่มสังเกตไหมหยุดกอดหยุดก้อนหยุดก้อนตอนที่เดินมาเนี่ยเดินมาสบายๆพอมาถึงต้นทางยงกลมเนี่ยกดจิตปุ๊บลงไปเลยนะสํารวมผิดปกติแล้วยังงี้ไม่เอาเอาอย่างยิ้มยิ้มตะเกียรอา้าเนี่ยแล้วเดินรู้สึกตัวไปนะเดินไปแล้วเห็นร่างกายมันเดินนะเออใช้ได้อืมดี ให้เป็นธรรมชาติหน่อยนะ Led, <c oughs> เดินไปสบายๆเนี่ยพวกเราดูไว้นะเวลาเดินจงกรมเนี่ยพอเดินไปสุดทางจงกรมนะอย่าเพิ่งหันกลับมาให้รู้สึกตัวก่อนถ้าเดินไปสุดทางแล้วหันปุ๊บนี่นะจิตจะกระเด็นตกทางจงกรมทุกหลายเลยพอหันกลับมาแล้วนะก็อย่าเพิ่งเดินนะรู้สึกตัวให้สบา ย, บายก่อนแล้วค่อยเดินถ้าไม่รู้สึกตัวให้สบายสบายก่อนนะจิตมันจะเดินก่อนขา มันจะมีความโลภนำจิตมันจะไปก่อนเห็นไมนี่เห็นไหมจิตเดินก่อนขาเมื่อกี้นี้เดินเดินไปนี่สาธิตให้ดูเวลาเดินนะอย่าไปดันใจให้ลอยขึ้นมานะรู้ตัวสบายๆไม่ต้องผลักจิตขึ้นไปสูงสูงรู้สึกตัวสบายๆรู้ไปธรรมชาติธรรมดาเนี่ยจิตนี้ไปคิดตรอกไหมนะเวลาเราเดินนะก็เดินรู้กายเดินรู้ใจ เดินไปแล้วจิตหนีไปคิดก็รู้ว่าจิตหนีไปคิดเดินแล้วจิตลงมาเพ่งรู้ว่าจิตเพ่งเดินแล้วเห็นร่างกายเคลื่อนไหวนะใจเป็นคนดูอย่างนี้ก็ใช้ได้เดินรู้กายเดินรู้ใจอาชิญกลับไปได้ตรงเนี้ยดีกว่าแตะกี้เยอะเลยนะนึก อ, ออกไหมจิตต้องอย่างนี้นะจิตตอนเดินโชดนี่ไม่ได้มันผิดธรรมชาติต่อไปเบอร์ร้อยหกอยู่ข้างหลังไปส่งไม้ไปด้านหลังร้อยกสิ กาบนมัสการค่ะเพิ่งส่งการบ้านครั้งแรกค่ะตอนนี้กําลังสังเกตตัวเองว่าเหมาะกับการดูจิตหรือว่าดูกายเพราะว่าดูจิตเนี้ยจะเห็นจิตที่แวบไปได้เรื่อยๆอะค่ะแต่ถ้าดูกายจะรู้สึกสบายถ้าดูจิตจะเห็นว่ามันมันถีมันเหนื่อยแต่ดูกายจะสบายกวดูจิตได้ดูจิตไปนะถ้าดูไม่ไหวแล้วก็มาดูกายมันมีแนวรุกแนวรับของการปฏิบัตินะ ถ้าดูจิตได้ดูจิตทำไมเอาดูจิตก่อนเพราะอกุศลทั้งหลายกิเลสทั้งหลายเกิดที่จิตกุศลเกิดที่จิตมรรคผลก็เกิดที่จิตดังนั้นถ้าดูจิตได้ให้ดูจิตไปถ้าดูจิตไม่ไหวมาดูกายถ้าดูจิตก็ไม่ไหวดูกายก็ไม่รู้เรื่องก็ทำความสงบเข้ามาทำสมถะนะนี่นักปฏิบัติก็มีแนวรุกแนวรับอยู่อย่างนี้ของคุณก็รู้กายไปด้วยนะมันถนัดกายแต่เวลารู้กายมันจะเพ่งกายอย่าไปเพ่งนะไหนลองรู้กายโชวสิ รู้สึกไหมจิตฟุ้งซ่านค่ะเอมันยังไม่ได้รู้กายจริงมันฟุ้งซ่านซะค่ะเนี่ยครยรู้สึกไปนะถ้าดูจิตได้ดูจิตดูจิตไม่ไหวมาดูกายเราไม่ได้พาวนาเอาความสุขนะไม่ใช่เออาไปดูกายแล้วมีความสุขแล้วพอใจอยู่แค่นั้นแต่เราพาวนาเพื่อให้เห็นทุกข์ถ้าไม่เห็นทุกข์นะจะไม่ปล่อยวางทุกข์นั่นแหละเป็นอริยสัจข้อที่หนึ่งเลยอันเบอร์แปดสิบสอง อ่าไม่ทราบว่าผมติดนิ่งไปหรือเปล่าครับหลวงพ่อครับฮะอะไรนะผมรู้สึกว่าผมติดนิ่งไปครับเลยกดไปหน่อยนะกดไปนิดนึงไม่เป็นไรครับไม่ทราบผมต้องใช้วิหารทําอะไรครับคุณจริงจริงมันต้องดูจิตนะแต่ตอนนี้มันกดอยู่ก็ดูกายด้วยกายครับเวลาคนที่เพ่งๆอยู่ไปดูจิตมันจะไม่มีอะไรให้ดูมันกลายไปเพ่งจิตเฉยๆไปเลยแต่ปฏิบัติในรูปแบบมากไปหรือเปล่าครับหลวงพ่อคุณภาวนาด้วยอะไร อ่าผมสวบทร่มวัดเย็นทำวัดเช้าครับออทมวัดไปแล้วก็ดูกายมันสวดมนต์ไปดูจิตมันแอบไปคิดนะดูอย่างนี้บ่อยๆของคุณพ่อนาให้สบายกว่านี้นิดนึงมันเครียดไปหน่อยครับร้อสี่สิบสี่ครับรรมรดการหลวงพ่อครับผมขอส่งการบ้านในรอบครึ่งปีฮะมีการปฏิบัติในชีวิตประจำวันโดยเห็นกิเลสเกิดขึ้นเป็นระยะระย ะ, ะ, ยะแล้วก็ ใช้อิติปิโสเป็นวิหารธรรมเขาเห็นว่าบางครั้งเนี่ยหลงไปแต่ว่าอิติปิโสยังคงอยู่แต่บางครั้งถ้าหลงมากก็หายไปเลยมไม่ทราบว่าจิตในขณะนี้นี่ถือว่าประคองหรอือเปล่าครับขณะนี้อะครับขณะนี้มีประคองอยู่หน่อยนะมันผิดธรรมชาติมันรู้สึกไม่เม็นหนักครนะมันมีน้ําหนักไม่ว่าเราไปประคองอะไรนะ้าจะเกิดน้ําหนักเนี่ยหลวงพ่อไปประคองพัดใช่ไหมก็มีน้ําหนักเนี่ยถ้าเราทิ้งไปเลย ไม่ได้ปะคอรองอะไรมันจะไม่มีน้ำหนักเลยนะเพราคุณนดีขึ้นนะสวดมนต์ไปแล้วก็รู้ทันจิตไปแต่บางทีมันสวดจนอัตโนมัติจิตเผลอไปแล้วมันยังมันสวดของมันเองนะล้วก็รู้ทันไปว่ามันสวดเรื่อยเปื่อยแล้วอันนั้นนะดีของคุณร้อยแปดสิบเก้าอยู่ข้างหน้ากลับน้มัสการหลวงพ่อค่ะมีสองเรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือแบบจิตบอกว่า ทำเลยทำเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วคือแบบเราไม่ทำค่ะคือไม่อยากไม่อยากให้เราเห็นตัวว่าตัวที่มาดึงเราแล้วก็อีกอันนึงก็คือหลับอะค่ะไม่ไม่ภาวนาไม่ทำอะไรเลยก็คือหลับแบบหลับหมดเลยอะค่ะอยากจะทำวิธีถึงถึงเวลาหลับก็หลับไปนะแต่ถึงเวลาตื่นเนี่ยให้มีสติไว้แล้วไอ้ตัวที่แบบเราก็รู้ทันว่ามันพูดแล้วถ้าเราตามมันนะคะหลวงพ่อเราไม่ได้ตามมันแต่เราตามเหตุผล เช่น <S an> จิตมันบอกว่าให้ไปกินข้าวสมควรเงี้ยนะหรือจิตมันบอกให้ไปนอนเราก็ต้องดูว่าตอนนั้นสมควรกินข้าวเราก็กินข้าวสมควรนอนเราก็นอนนะไม่ใช่ตามมันนะแต่ตามเหตุผลอย่างจิตบอกภาวนาเลยภาวนาเลยแล้วเราบอกเราไม่ทําตามมันเราจะลงนอนอย่างเนี้ถูกกิเลสหลอกนะไม่ใช่ถูกอะไรหลอกหรอกงั้นเราจิตจิตบอกว่าภาวนาข้าวภาวนาข้าเออเองพูดถูกต้องชมมันซะเลยแล้วก็รีบภาวนาข้าไม่ใช่ว่าไม่ต้องทําตามมันตลอดนะ การที่เอไอะไรก็ทําในสิ่งที่ตรงข้ามแลก็มันก็คือการตามนั่นเองแต่ตามในทางลบเล็กตามในทางนกกระชีพแต่คือปล่อยให้มันคิดไปใช่ไหมคะใช่มันคิดแต่เรามีสติข อ, ของคุณจิตมันค่อนข้างฟุ้งซ่านนะโดยธรรมชาติเลยมันค่อนข้างฟุง้งซ่านงั้นคุณพยายามพุโทโธไว้บ้างอะไรบ้างแล้วก็ใจทิ้งพุโทโธไปก็รู้ทันใจทิ้งพุโทโธไปแล้วก็รู้ทันนะเบอร์แปดสิบเก้า ก า, ก, การนมัสการหลวงพ่อครับคือมาส่งกันบ้านครั้งที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าออตอนนี้ให้ออกจากถ้าให้ได้ครับตอนนั้นตอนนี้รู้สึกว่าดีขึ้นครับผมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าจิตใจมันเริ่มผ่อนคลายขึ้นแล้วก็สรุปการปฏิบัติว่ารู้ลงปัจจุบันคือบางครั้งเวลาจิตเรามันคิดชั่วคิดไม่ดีเนี่ยตอนตอนที่แอะผมจะไม่ค่อยรู้ว่าคิดแต่ปฏิกิริยาหลังจากเกิดการคิด คือกลัวขึ้นมากลัวชั่วครับก็รู้รรว่าวกลัวทีนีออ้อยากจะถามหลวงพ่อว่าออตอนนี้เนี่ยคือต้องระวังอะไรเพิ่มเติมไหมครับนอกจากสิ่งที่ทำอยู่พ่อนาไปนะแล้วก็อย่ารีบร้อนครับนะใจมันลุกดิลุกลนมากไป ร, รีบร้อนจะเอาผลเร็วๆอ่ะเบอร์ยี <laughs> <laughs> <28. S 3> ่สิบแปดการนวัสการหลวงพ่อครับส่งกันบ้านในรอบ8เดือนครับ เมื่อคาที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าจิตผมไม่ตั้งบ้านแล้วก็ออกมาอยู่ข้างหน้าหน้าครับอก็ไม่ทราบ ว, ว่าตอนนี้ดีขึ้นหรือยังครับดีขึ้นสิดูออกไหมก็คือคิดว่าตัวเองน่าจะดีขึ้นนะแล้วก็ไม่ทราบ ว, ว่าตอนนี้ดูได้ถึงจิตถึงใจอยังครับผมขณะนี้นะจิตออกนอกนิดนึงครับรู้สึกไหมจิตมันมันลอยๆอยออกข้างนอกนะให้รู้ทันว่าออกอย่าดึงถ้ารู้ทันว่ามันออกด้วยใจที่เป็นกลางมันจะเข้าที่เองแต่ถ้าพยายามไปดึงแล้ไม่เข้าที่จะเครียด แล้วจิตนี่มันมันมีที่ตั้งไหมครับไม่มีหรอกเราเิงก็ใช้รู้สึกเอาใช่ไหมฮะเออรู้สึกครับจิตเกิดที่ตาเกิดที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจไหมเกิดหลายที่ไม่ได้ตั้งอยู่ที่ใดที่หนึ่งครับแล้วรู้สึกว่าตัวเองหลงหลงอาการของจิตหป่าครับเออใช่ครับแล้วขอการบ้านน ะ, ะ้ไครับพ่อไปดูอีกสินะเอาคุณดูกายด้วยนะครับเบอร์ร้อยห้าสเมื่อกี้ยกมือปล่าไม่ได้ยกใช่ไหม ออยกนะร้อยสบเก้ากลับนมรส ก, การหลวงพ่อเจ้าค่ะหนูมาครั้งที่สองนะเจ้าค่ะเอ่อพอกลับไปแล้วก็นั่งสมาธิตามปกติพอนั่งลงก็รู้ว่านั่งแล้วก็รู้ว่าหายใจแล้วก็รู้ว่าลมหายใจมันหายไปแล้วก็ทีนี้ก็เลยมาดูว่าเออจิตมันคิดอะไรก็นั่งดูไป ไม่มีความคิดพอมีความคิดขึ้นมามันดับไปอะค่ะไม่รู้ว่าคิดอะไรไม่จําเป็นต้องรู้ว่าคิดอะไรให้รู้ว่าจิตคิดไม่ได้ให้รู้ว่าจิตคิดอะไรเจ้าค่ะแค่รู้ว่าจิตไหลไปคิดก็พอละของคุณตอนเนี้ยเท่งอยู่รู้สึกไหมรู้สึกเจ้าค่ะจิตมัวนิดนึงดูออกไหมดูรู้ค่ะนะ้มันมีโมหะนะแล้วมันข่มมาไว้เจ้าค่ะให้รู้ทันไปอย่างเมื่อกี้จิตมันฟุ้งซ่านดูออกไหมมันไหลแบบรู้ค่ะรู้เออไปดูต่อะค อ, อีกข้อนึงได้ไหมคะเจ้าค่ะคือบางครั้งแบบบ่นบริวารอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่ว่าจิตแบบปากมันบ่นไปแต่ว่าจิตมันก็เฉยๆแต่พอรู้ว่าอารมณ์มันฟูขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่มันฟูไม่มากแล้วมันแฟงไปอย่างเงี้ยเราเราไปข่มมันหรู้ป่คะคะว่าไปรู้ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ย<ม>หรือ<ะ>รวออ่อา เจ้าค่ะหลวงพ่อมีอะไรแนะนําโยมไหมเจ้าคะอย่าให้ติดอยู่จอนอย่างตอนนี้ก็แล้วกันตอนนี้มันติดนิ่งอยู่ใช่เจ้าค่ะนะเบอร์หกสับแปดเวลาที่อ้องดูภาวนาตอนที่ร่างกายไม่สบายอะค่ะหลวงพ่อเรารู้สึกบางครั้งรู้สึกว่า เ, เราเราไม่รู้สึกอะไรเราดูเฉยแต่บางครั้งจะมีความรู้สึกก็มันสะดุง้งหรือมันสะเทือนแต่ว่าไม่ใช่ทางร่างกายขึ้นมามแสดงว่าจิตของอ้องตอนนั้นยังไม่ตั้งมั่นที่จะดูใช่ไหมคะ มันเป็นยังไงให้รู้ไปนะมันสะเทือนก็รู้ว่าสะเทือนนี่พยุ่งกับมันไม่ห้ามครู้อย่างที่เขาเป็นเห็นอย่างใจเราขี้มโมโหดวออกอยังดู อ, อกค่ะเห็นนะดูมันมโมโหไปสะดุ้งสะเทือนอย่างมโมโหเลยนะให้รู้ทันเอาไปทําอีกเบอร์แปดพการมเจ้ค่ะไม่ทราบโยมทําอะไรผิดหรือเปล่าไม่ทราบเจ้ค่ะตอนนี้มันง่วงมาก่นั่งก็มัน ขนาดรู้ว่าง่วง่งรู้ตัวว่าง่วงไม่ไม่ผิดนะนหลวงพ่อก็ง่วง <laughs> มันขาดช่วงๆไปเลยเจ้า <laughs> ่ะตอนนี้มันอากาศมันชื้นจัด <laughs> มันมีไวรัสในอากาศเยอะคนง่วงๆซึมๆแต่ไมไปหบดเลยเป็ น, นเ็นทางกายจิตไม่ได้มีปัญหาแล้วมีเมื่อเมื่อประมาณสิบวันกว่าๆเนี่ยเจค่ะก็โยโยมไปโดนเขากระทบเหมือนก็ถูกเขาพูดไม่ดีเอามากๆนะ่ะ แต่แล้วแต่ว่ามันแปลกที่ธรรมดายมเป็นคนขิมโหเหมือนกันด้วยแต่พอเขาพูดมาทําไมใจโยมสังเกตไม่ใจเราเบิกบานมันเย็นมากอยู่แบสงบแล้วก็มีความสุขอยู่เป็นวันอืดีกลับมองเห็นคนที่เขาเขาดุเขาว่าอะไรเมื่ใจเรามันตื่นขึ้นมานะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันเห็นโลกนี้ไม่มีอะไรหรอกไม่ไม่ใช่โยมกดค่มไม่ได้ข่มไม่ได้ข่มสังเกตไหมจิตมันนุ่มนวล จิตมันสบายมีความสุขจิตมันอ่อนโยนเห็นไหมในจิ ต, จตที่เป็นกุศลมันเป็นอย่างนั้นถ้าข่มไว้จิตจะแน่นๆเ่้าวร้อยสีสิเมื่อเช้ามีโมหะเยอะค่ะแล้วใ <88 S 2> จไม่ตั้งมั่นแล้วรู้สึกไปกดนิดนิดนะคะตอนนี้มันก็เลยเกินจริงไปแล้วก็หนูอยากจะทราบคือส่งกันบ้างสุดท้ายหลวงพ่อเมื่อเดือนมกราที่ผ่านมาก็เลยอยากจะทราบว่าที่ทามานี่ยังอยู่ในรอยหรือเปล่าคะภานาดีขึ้นนะ รู้สึกไหมรู้สึกค่ะพ า, านาดีแล้วใจเป็นธรรมชาติฮนะค่ะปล่อยให้มันทำงานแล้วตามดูค่ะหรืออันเดียวว่าจะเป็นกลางหรือเปล่าท่านนะค่ะนะเอาก้าวสิบสี่มีไหมก้าสิบสี่อ่อนตายระห ว, ว่าแล้วจะคุยกันได้หรืออ๋อมีล่าม เ, เขาบอกว่าเมื่อคือนเนี้ยสติเขาเกิดบ่อยคือเขารู้ว่าเขาคิดจนกระทั่งมันนอนไม่หลับ ทำยังไงถึงจะหลับได้บ้างแล้วก็มันเป็นธรรมดาหรือเปล่าครับเป็นปกตินะเป็นปกติไม่ได้มีอะไรผิดปกติหรอกวันนี้ไม่ต้องนอนก็ไม่เป็นไรเนี่ยใจแอบไปแล้วใจหลงไปคิดแล้วนะใจยิ่งไปคิดมากกว่าเก่าอีก <c oughs> <c oughs> ถ้าใครรู้สึกตัวได้ได้หลงไปคิดอีกแล้วถามเขาซิว่าเวลาจิตหลงไปคิดเขาดูออกไหม ให้รู้บ่อยๆนะไม่ห้ามเนี่ยเขามาเรียนหลายวันแล้วนะจิตเขาเริ่มตื่นแล้วแต่ตอนนี้คิดไปอีกละฝันอีกละเนี่ยให้คอยรู้สึกไปอย่างเงี้ยเป็นระยะระยะนะเราจะเห็นเลยทั้งวันเนี่ยเดี๋ยวจิตก็หลงไปเดี๋ยวจิตก็รู้สึกเดี๋ยวจิตก็หลงเดี๋ยวจิตก็รู้สึกความรู้สึกตัวก็อยู่ชั่วคราวจิตที่หลงไปก็อยู่ชั่วคราวเรียนไปจนเห็นว่าทุกอย่างมันชั่วคราว เนี่ยตอนนี้มันหลงไปคิดอีกแล้วใช้ได้แล้วอร้อยสิบสี่การธรรมสกานเจ้าค่ะอืเป็นการส่งกันบ้านครั้งแรกนะคะหลวงพ่อกลัวไหมค่ะกลัวไหมนิดหน่อยค่ะอย่าไปข่มไว้สิทาใจสบายๆรู้สึกไหมเรากดจิตเอาไว้ใช่ใช่ค่ะจะถามหลวงพ่อนะคะว่าหนูหนูเพ่งแล้วก็กดไว้ใช่ไหมคะใช่ใช่ก็เป็นอย่างนี้มา ดูง่ายๆเลยเวลกดไปจิตจะแน่นๆอึดอัดค่ ะ, คะทำไมมันเพง่งอยากปฏิบัติอ๋อใช่ค่ะความอยากเกิดขึ้นเราไม่ทันเห็นไงนะต่อไปนี้พออยากปฏิบัติให้รู้ว่าอยากปฏิบัตินะมันจะไม่เพ่งหรอกการที่จิตเพ่งมันจะมีสมสเต็ปนะอันหนึ่งเคยได้ยินคําว่าไตรวัตรไหมไตรวัตตะกิเลตกรรมแล้วก็วิบากอ๋อค่ะเคยค่ะกิเลสก็คืออยากปฏิบัติก็เกิดการกระทํากรรมคือการเพ่ง ก็เกิดวิบากคือความทุกข์ใจหนักๆขึ ues, ข<า>้นมาเนี่ยวัตตะแหละ<า>ถ้าเรารู้ทันตั้งแต่มีกิเลสนะ <Vog> ก็ไม่มีการกระทําขึ้นมาใจก็ไม่หนัก อ, อ๋อค่ะถ้าเรากรณี <Warum? S 2> ที่หนูคิดถึงคุณพรรัตนะตายเราก็ร้องไห้เราก็แบบเหมือนจิตมันบีพนบพันก็คือเป็นกรณีเดียวกับที่หลวงพ่อบอกเมื่อกี้หรือเปล่าคะใช่แต่ว่ากุศลก็บีบพันได้นะอะไรนะคะกุศลน่ะเราคิดถึงพรัตนไตรนะ ปีติขึ้นมาอย่างนี้แลว้วความปีติก็มาบีบคั้นจิตได้<ต>มันครอบงํามันบีบคั้นแบบทุกข์ในจิตนะคะเห็นแบบมันรู้สึกมันทุกข์ก ท, ก ท, กทนมาแล้วก็มันเป็นอย่างนี้เรื่อยๆจนเราไม่รู้สึกนะร่างกายเคลื่อนไหวไหมทนะางานบ้านทำกวาดบ้านถูบ้านยอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นร่างกายเนี้ยทำงานไปเรื่อยๆนะส่วนความรู้สึกอะไรแปลกปลอมเข้ามาในจิตเราค่อยรู้เอาของคุณจิตใจมันจะ ละเอียดอ่อนเซนซิทีฟนิดนึงอารมณ์มันคล่ำงำง่ายอย่าไปกดไว้ร้อยแปดสิบส <18 4 S 2> ี่ร้อยแปดสิบสี่อยู่ข้างหลังโอ้วันนี้วันปาฏิโมกเดี๋ยวเลิกแล้วต้องไปสวดปาฏิโมกกลับแล้วมรสการหลวงพ่อค่ะก็ตอนนี้รู้สึกว่าหัวใจเต้นแรงมากอย่าให้มันหยุด น, นะ เน้ก็ขอความเมตตาหลวงพ่อช่วยพิจารณาดูจิตว่าเป็นแบบไหนแล้วก็ควรปฏิบัติอย่างไรค่ะที่ฝึกมาเก่าๆเนี่ยมันฝึกบังคับนะเปนการบังคับตัวเองแล้วอย่าบังคับมันของคุณเนี่ยเห็นร่างกายมันทํางานไปเรื่อยไปหางานทําเป็นหางานบ้านอ่ะขวาดบ้านถูบ้านอะไรอย่างเงี้ยดีเป็นลดต้นไม้เลยงานที่เคลื่อนไหวอ่ะแล้วเห็นร่างกายนี้เคลื่อนไหวไปเรื่อย นะตอนนี้เราติดเพ่งเราก็ไปดูกายไว้ก่อนเห็นกายเคลื่อนไหวไว้ก่อนถ้าอยู่ๆไปดูจิตเนี่ยมันจะนิ่งๆเดี๋ยวมันนิ่งเกินไปรู้สึกไหมไปดูแล้วมันจะไม่มีอะไรมันนิ่งๆเยี๋ไปกดไว้นะ่าปล่อยมันยังกดอยู่ถ้าตราบใดที่เรายังกดจิตอยู่นะจิตก็นิ่งไม่มีอะไรให้ดูงั้นการปฏิบัติเนี่ยจะต้องไม่มีการเก็บกดสักนิดเลยจิตมันเป็นยังไงรูร้ว่าเป็นอย่างนันไม่บังคับไม่แทรกแซงสักนิดเลยเดีย๋ยตอนนี้จิตแอบไปคิดทราบไหม สังเกตไหมตรงที่รู้ว่าจิตไปคิดเนี่ยจิตสว่างขึ้นมาแวบหนึ่ง<ม>ดูออกไหมนะนี่พอมันรู้ตัวมันสว่างขึ้นมาทิ้ง<ม>พอเผลอก็มืดมืดไปอีกตอนนี้มืดไปอีกละรู้สึกไหมเนี่ยดูไปอย่างนี้นะแล้วก็รู้สึกเอารู้สึกเอาแล้วอย่าทิ้งร่างกายให้เคลื่อนไหวไหมเบอร์สามสิบหกสามสิบหกอยู่ทางนี้ตรงกลางกลับนลวมาสการหลวงพ่อค่ะอะช่วงนี้รู้สึกว่าใจมันแบบว่า ฟุงฟ้งอาหารของพ่อมันฟุงฟ้งฟุงกระวนกระวายอาจจะเป็นเพราะว่าทํางานช่วงนี้งานมันจะเร่งบอกว่าที่บริษัทเขาก็ลดคนงานมัน เ, ย, เยอะขึ้นอะไรหรือเปล่าดีนะบริษัทมีคนงานเยอะขึ้นบริษัทคนงานน้อยลงเรื่อยๆนะไม่ดีอ๋ อ, องานได้เยอะขึ้นค่ะแต่ว่า ปรับคนลงเพิ่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอ๋อลถคนลงค่ะงานก็เลยเยอะขึ้นตอนกลางคืนก็เลยช่วงเนี้ยไม่ค่อยได้สวดมนต์สักเท่าไหร่บางครั้งสวดก็จะสวดสั้นลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราทําไม่ไหวนะมันหมดแรงเนี่ยเหนื่อยมันเครียดปัญหาตอนนี้นะไม่ใช่ว่าทํายังไงจะภาวนาดีให้คอยดูใจที่ไม่เป็นกลางไว้ งานมันหนักงานมันเครียดเนี่ยงานมันเยอะนะมันทำให้ใจหวั่นไหวใช่ใช่ค่ะเรารู้ทานใจของเรานะทำงานไปตั้งใจทำงานมีงานทำมาบุญแล้วต้องคิดอย่างนี้นะค่ะค่ะค่ะมันมันจะเป็นหวัน่นไหวจะทันไม่ทันนะอะไรอย่างเง <บา S 2> ี้ยนะให้รู้ว่ากังวลเอาเวลาที่จะต้องเสียเวลากังวลเนี่ยนำะไปทำงานงานจะได้เพิ่มขึ้น เพราะั้นต่อไปใจกังวลรู้ทันใจกังวลรู้ทันใจก็จะตั้งมั่นทำงานได้เร็วขึ้นหลวงพ่อเป็นคนที่ทำงานเร็วมากเลยางานที่คนอื่นทำนานๆหลวงพ่อทำประเดี๋ยวเดียวเราสมาธิเราดีเราไม่เอาเวลาไปคร่ำครวญตายแล้วจะทันไมเนี่ยเออนี่ยคร่ำครวญไปห้านาทียังไม่ได้งานเลยใช่ใช่ค่ะ อ๋อแล้วก็จะรบกวนขอการบ้านเพิ่มด้วค่ะหลวงพ่อนั่นแหละไปดูใจนะใจกังวลให้รู้ใจกังวลให้รู้ตอนนี้เป็นเวลาที่ภาวนาสะดวกแล้วเพราะมีความกังวลให้ดูทั้งวันเลยไปดูเข้าตัวนี้แหละค่ะค่ ะ, ะก็แต่ก่อนอ่ะจะดูใจที่มีโมหะเวลาโกรธโทสะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยก็จะเริ่มดูเป็นก็จะแต่ว่าตัวเนี้ยพึ่งพึ่งเป็นนะค ะ, ะก็เลย มันจะแก้ยังไงอะไรเป็นอยู่วันสองวันก็ไม่ได้เราไม่ได้ฝึกแก้นะฝ<อ>ึกให้รู้จิตมันจะกังวลเนะี่ยห้ามมันไม่ได้<อ>ดูอย่างนี้ในที่สุดจิตจะเป็นกลางถ้าจิตเป็นกลางนะีน้ำเลิกกังวลไปเอง อ, ะนะ อ, อ่ะนะอต่อไปหมดละขอบคุณค่ะได้อีกสองสามคนเชิญเบอร์หกสิบสี่เนะย น้มัศการค่ะหลวงพ่อคือช่วงหลังปฏิบัติในรูปแบบมากขึ้นแต่รู้สึกใจมันไม่เป็นธรรมชาติค่ะมันแข็งแข็งมันมันเหมือนดูไปกดอะไรมันไว้หรือเปล่าใช่ ก, กดไว้การภาวนาเนี่ยนะให้ความรู้สึกเกิดขึ้นก่อนแล้วก็ค่อยรู้เอาพอความรู้สึกเกิดขึ้นแล้วก็รู้เฉยๆอย่าเข้าไปแทรกแซงมันของคุณนะมันไปกดจิตเอาไว้ยืนพื้นเลยเนียนนิ่งๆแข็งๆอย่างเงี้ยการภาวน า, นาไม่ใช่การบังคับตัวเองให้นิ่งของคุณนะ ชอบเล่นอะไรบ้างมีงานอดิเรกอะไรบ้างตอนนี้ก็ทํางานบ้านค่ะก็ปลูกหญ้าปลูกต้นไม้นะคะเออไปปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นไม้ไปนะผักต้นไม้งอกงามดีใจรู้ว่าดีใจเนี่ยนอนมาแทะและโมโหรั่ว่าโมโหปลูกต้นไม้ไปดูแลต้นไม้ไปกรรมฐานแบบนี้ก็ได้นะไม่ใช่ต้องไปนั่งหลับหูหลั บ, ลบตาเครียดเครียดอยู่หรอกไปทํางานก็ดีไหมกรรมฐานเนี้ยน ะ, ะไปปลูกนะ เี่หลวงพ่อก็มีอยู่คนหนึ่งครูบาอาครูบาอาสมัยยังไม่บวชนะบ้านอยู่เมืองชนปลูกต้นไม้ไว้เต็มบ้านเลยเวลาไปเรียนหนังสือเนที่บ้านเขาก็ตัดต้นไม้เพราะว่าจะมาทําบ้านเขากลายเป็นป่ารกๆเนี่ยเดี๋ยวนี้นะักุฏิครูบาอาเนี่ยหาไม่ทางเข้าไม่ได้ <c oughs> เวลาจะเข้าต้องมุดมุดหัว <c oughs> เนี่ยเขาชอบปลูกต้นไม้ดูแลต้นไม้แล้วมีความสุขมีความสุขนะ เขาดูใจที่มีความสุขเห็นร่างกายที่เคลื่อนไหวเห็นใจมันเคลื่อนไหวฝึกอยู่อย่างนี้แหละอเบอร์ร้อยเกหลวงพ่อบางทีจะเข้าไปกุฏิคูบาายังเข้าช่องไหนดีวะพวกช่างเขาจะเข้าไปซ่อมอะไรแถวกุฏินะก็บอกเขาหาทางเข้าไม่ได้นี่แกเลี้ยงไก่ป่าไว้เยอะแยะเลยตอนนี้อกลาบนามสการหลวงพ่อค่ะคือหนูอยากขอการบ้านนะคะเพราะว่าหนูไม่เคยขอการบ้านนะคะ นั่นแหละไปดูใจนะโมโหแล้วรู้โมโหแล้วรู้รู้บ่อยๆคือคือโมโหแล้วรู้หนูว่ามันก็รู้ดีขึ้นอย่างล่าสุดหนูเผลอไปแบบมันพูดว่าเขาแต่จริงๆใจหนูมันไม่ได้มันเฉยเฉยเราฝึกมามากขึ้นมากขึ้นนะต่อไปปากมันว่านะใจเฉยเยก็ได้มันว่าเป็นกริยาไปอย่างนั้นเละ <laughs> ใจไม่อินแต่แต่แต่แต่มันก็มันนิดๆหน่อยๆมันก็แบบ ปุ๊บหนูว่าหนูไม่ค่อยมีพัฒนาการนะคะหนูอยากมี ะ, ะแต่เดิมกิเลสเกิดแล้วมองไม่เห็นนะเดี๋ยวนี้กิเลสเกิดแล้วมองเห็นแต่ก่อนเนี่ยความทุกข์ครอบงําใจเราเดี๋ยวนี้ความทุกข์เริ่มอยู่ห่างๆขึ้นอย่างเงี้ยมันมีความเปลี่ยนแปลงมันมันมันไม่ใช่ว่าแบบไม่อยากยุ่งกับใครอะคะแบบอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ใจเราสงบมากขึ้นนะแต่ก่อนเรายุ่งมากไป ใจเราสงบใจเราสันติมากขึ้นไปภาวนาดีขึ้นตั้งเยอะแล้วคข อ, ข อ, ขอบคุณค่ะเบอร์ร้อยห้าคนสุดท้ายแล้วในมันส ก, การหลวงพ่อค่ะส่งกันบ้านในรอบออปฏิบัติครบหนึ่งปีค่ะภาพรวมก็คือว่ารู้สึกว่ามันจิตมันคลายความยึดมั่นถือมั่นแล้วมันก็ปล่อยวางได้มากขึ้นนะคะ แล้วก็ตอนนี้ก็ทําในรูปแบบทั้งเดินจงกรมนั่งสมาธิแต่ว่าจะถนัดเดินมากกว่านั่งนั่งแล้วรู้สึกว่าหลงดีนั่งกนเดินไว้ค่ะแล้วก็หลวงพ่อมีอะไรชี้แนะหนูไหมคะที่ยังติดอยู่อะค่ะไปเดินเข้านะเดินแล้วเห็นกายมันทํางานเห็นจิตมันทํางานนะคืออย่างนั้นแหละดีคุณพ่อไอ้หลวงพ่อหลวงพ่อขออนุญาตให้คุณแม่อีกคนหนึ่งได้ไหมคะไหนล่ะแม่คุณแม่ปฏิบัติครบ1ปีเหมือนกันนะคะนั่งอยู่ค่ะ รู้สึกไหมจิตเราไม่เหมือนเดิมแล้วใช่ค่ะเปลี่ยนไปมากเลยค่ะใช่หนึ่งปีนี้ต้องเปลี่ยนแน่นอนปกติเป็นคนที่โมโหแต่ตอนนี้พอจะโกรธก็จะรู้สึกตัวแต่บางครั้งตอนนั้นนอนแล้วโกรธรู้สึกตัวว่าโกรธก็เลยจิตก็บอกว่าเนี่ยเพรอเราไม่ได้โกรธในชีวิตประจำวันเลยมาโกรธตอนนอนก็เลยบอกตัวเองว่าอย่างงั้นขนาดเราฝันนะใช่ขนาดเราฝันโกรธขึ้นมาสติยังทํางานเลยถ้าเราฝึกถึงตรงนี้แล้วเราไม่ต้องกลัวตายแล้ว นะอย่างนี้จะช่วตัวเองตอนจะตายได้ไหมได้ฝ <laughs> ึกไปเถอะเวลาเราจะตายมันจะเกิดนิมิตนะสมมติญญถ้าเกิดนิมิตไม่ดีปุ๊บจิตบันไห้ขึ้นมานะสติมันระลึกเลย <laughs> เกิดเห็นกระทะทองแดงเนี่ยสมมนะเห็นกระทะทองแดงไม่กลัวบางคนกลัวบางคนโอ้ทองแดงแพงอยากได้นี่ <laughs> <laughs> เกิดความโลภจิตมีสติรู้ว่าโลภเห็นไหม ความโลภขาดไปกระทะทองแดงหายเลยะนะจะมีข้อบอกคร่องอะไรอเพราะท่านอาจารย์ชยเตือนไดีมากเลยนะโยมภาวนาได้ดีมากใช่ห ล, ลูกสาวก็ขยันนะแม่ภาวนาได้เนียนกว่าเยอะเลยแม่แม่ภาวนาเป็นธรรมชาติเลยของหนูยังคล่ำครวญรู้สึกไหมเริ่มแล้วโอ้หนูไม่เป็นธรรมชาติให้รู้ทันนะดีทั้งบ้านเลย บ้านไหนภาวนานะบ้านนั้นมีความสุขมีความสุขเป็นบ้านที่มีความสุขมากเลยเทวดาชอบนะบ้านไหนร่มเย็นเป็นสุขมีคนภาวนานะเทวดาชอบไปอยู่ด้วยงทีไปสวดมนต์ด้วยอ้าวเชิญกลับบ้าน